ประชุมสม่สมณะทั้งสองเดินดุ่มผ่านทุ่งกว้างเข้าสูเ่เขตป่าดงมีทางพอเดินได้สะดวกสมณะซึ่งเดินนำหน้ามีอินทรีย์ผ่องใสมีสายตาทอดตรงต่ำผิวขาวละเอียดอ่อน ลักษณะแสดงว่ามาจากวรรณสูงอากรรกริยาและท่าทีเยื้องย่างน่าทัศนานำมาซึ่งความเลื่อมใสปีติประโมดแก่ผู้เข้าพบเห็นยิ่งหนักผ้าสีเหลืองหม่นที่คลุมกายแม้จะทำขึ้นอย่างง่ายๆไม่มีรูปทรงอะไรแต่ก็มองดูสะอาดเรียกร้อยดีส่วนสมณะผู้เดินอยู่เบื้องหลังแม้จะมีส่วนสูงไม่เท่าองค์หน้า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 ตถาคตต้องการไปทางขวาเรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องไปโปรดสัต ท, ทางนี้ข้าพระองค์ต้องการไปทางซ้ายเพื่อเจ้าค่าพระนางคาสมาละยืนยันอย่าเลยนางคาสมาละมากับตถาคตทางขวานี่เถอะพระผู้มีพระภาคขอร้องพระพุทธองค์ทรงห้ามถึงสามครั้งแต่พระนาคาสมาละก็หาย่อไม่ ในที่สุดท่านก็วางบาทของพระผู้มีพระภาคไว้ในทางสองแรง่งแล้วเดินหลีกไปทางซ้ายตามความปรารถนาของท่านพระจอมุนีสากยญบุตรต้องนำบาทของพระองค์ไปเองและเสด็จไปโดดเดียวอีกครั้งหนึ่งพระเมขียะเป็นพระอุบาต พ, พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จไปยังชันตุคามเขตปาจีนวงังศัก มีพระเมขิยะตามเสด็จเวลาเช้าพระเมขิยะไปบินทบาตในชันตุคามกลับจากบินธบาตแล้วท่านเดินผ่านสวนมะม่วงอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งปรารถนาจะไปบำเพ็ญสมณธรรมที่นั่นจึงกราบทูลขออนุญาตพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงห้ามถึงสามครั้งว่าอย่าเพิ่งไปเลยเมขียะเวลานี้เราอยู่คนเดียวขอให้พิสูนอื่นมาแทนซะก่อน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 ละทิ้งพระองค์ไว้และไปสู่สูนมะม่วงอันร่มรื่นบำเพ็ญสมณธรรมทำจิตให้สงบแต่ก็หาสงบไม่ถูกวิตกทั้งสามรบกวนจนไม่อาจให้สงบได้เลยวิตกทั้งสามนั้นคือกามวิตกความตรึกเรื่องจางพยาบาทวิตกความตรึกในทางปองรายและวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนในที่สุดจึงกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ทรงเตือนว่าเมขยะเอ่ยจิตนี้เป็นสิ่งที่ลื่นร้นขัดแหว่งรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาจึงพยายามทำจิตนี้ให้หายดิ้นรนและเป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงเมขยะเอ่ยจิตนี้คอยแต่จะกลิ่งเกลือกลงไปคลุกคล้าวกับกามคุณเหมือนปลา ซึ่งเกิดในน้ำถูกในพานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะดิ้นรนไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาจึงพยายามยกจิตขึ้นจากอะไรในกามคุณให้ละบวงมานเสีย แรกจําเดิมแต่การตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคคือระหว่างพระชนมายุ 35-55 ถึงพรรษาพระพุทธองค์ไม่มีพระสาวกผู้อยู่อุปถาประจำบางคราวก็เป็นพระอุปวานะบางคราวพระนาคิตะบางคราวพระสุนัขขตะบางคราวพระสาคตะบางคราวพระราธะบางคราวพระนาคสมาละ และบางคราวพระเมีเขีヤที่กล่าวแล้วบางคราวก็เป็นสามเณรจุนทะน้องชายพระสารีบุตรพรบผู้มีพระภาคได้รับความลำบากได้การที่พิสูผู้อุปถาไม่รู้พระทัยของพระองค์ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆถ้าจะมีผู้สงสัยว่าเหตุไฉพระพุทธเจ้าจึงต้องมีพระอุปถาประจําด้วยดูๆจะไม่เป็นการยังถือยศศักดิ์ถือฐา น, นะอยู่หรือ เรื่องนี้ถ้าพิจารณาด้วยดีจะเห็นความจำเป็นที่พระองค์จะต้องมีอุปถาประจำหรือผู้รับใช้ใกล้จิตเพราะพระองค์ต้องทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าต้องมีการประชุมสงฆ์เป็นคราวๆและต้องต้อนรับครหัข่าบรลปชิปมากมายที่มาเฝ้าเพื่อถวายปัจจัยบ้างเพื่อทูลถามปัญหาข้อข้องใจบ้างในบรรดาผู้มาเฝ้าเหล่านั้นที่เป็นมาตุคามก็มีมาก จะเห็นว่าพระองค์ไม่ควรประทับอยู่แต่ลำพังแต่ก็มีนานๆครั้งที่พระศาสดาทรงปลีพระองค์ไปประทับแต่ลำพังในระยะนั้นเป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ไม่ทรงต้อนรับผู้ใดทรงหลีเกล้นเพื่ออยู่สแสวงหาความสุขในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารด้ประการดังกล่ามานี้จึงคราวหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหาร ใกล้กรุงสาบถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากมีพระสารีบุตรพระมหาโมกขลานะเป็นต้นมาประชุมกันพร้อมพระผู้มีพระภาคทรงปรารถในถ้ำกลางพระสงฆ์ว่าบัดนี้พระองค์ทรงพระชราแล้วเพรศุผู้อุปถัมภ์พระองค์บางรูปก็ทอดทิ้งพระองค์ไปเฉยเฉยบางรูปวางบาดและจีวรของพระองค์ ไปบนพื้นดินแล้วเดินจากไปจึงขอให้สงเลือกพิสุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นรับตำแหน่งอุปถากพระองค์เป็นประจำพิสุทั้งหลายได้ฟังพระดำรับนี้แล้วมีความสังเวยสลดจิตยอย่างยิ่งพระสารีบุตรกราบปังคมทูลขึ้นก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดวงตาของโลกข้าพระพุทธเจ้าขออาสารับเป็นอุปถาคปฏิบัติพระองค์เป็นประจา ขอพระผู้มีพระภาคอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าพระพุทธองค์เป็นอุปถากเถอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบขอบใจพระสารีบุตรแล้วตรัสว่าสารีบุตรอย่าเลยเธออย่าทำหน้าที่อุปถาเราเลยเธออยู่หน้าที่ใดที่นั้นก็มีประโยชน์มากโอวาทคำสั่งสอนของเธอเป็นเหมือนโอวาทของพระพุทธเจ้า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 เธอไม่เสนอเพื่อรับเป็นอุปถาคพระผู้มีพระภาคหรือทําไมจึงนั่งเฉยอยู่ละ่ะข้าแต่ท่านธรรมเสนาบดีพระอานนท์ตอบอันตําแหน่งที่ขอได้มานั้นจะประเสริฐอะไรอีกประการหนึ่งละ่ะพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบอัธยาศัยของข้าพระเจ้าอยู่ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ก็คงจะตราดให้ข้าพระเจ้าเป็นอุปถากของพระองค์เอง ความรู้สึกของข้าพระเจ้าที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างไรพระองค์งก็ทรงทราบอยู่แล้วที่ประชุมเงียบไปครู่หนึ่งไม่มีผู้ใดไหวกายหรือวาจาเลยเงียบสงบเหมือนไม่มีพระภิกษุอาศัยอยู่ณที่นั้นเลยภิกษุทุกรูกนั่งสงบไม่มีแม้แต่เสียงไอหรือจามหรืออาการกระดุกกระดิกพระผู้มีพระภาคตรัสขึ้นท่ามกลางความเงียบเหมือนว่าภิกษุทั้งหลาย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 ความสมคุ้มของพระผู้มีพระภาคที่จัสเช่นนั้นความจริงหากพระองค์จะไม่ตรัสในที่ประชุมสงฆ์แต่ตรัสเฉพาะพระอานุ์เองพระอานุนก็พอใจที่จะอุปถักต์อยู่ใกล้ชิดพระองค์ตลอดเวลาแต่เพื่อจะยกย่องพระอานุ์และให้สงรับทราบในอัธยาศัยพระอานนุ์พระองค์จึงปรารบเรื่องนี้ท่ามกลางสงฆ์ความเป็นจริงพระอนนุนได้สั่งสมบารมีมาเป็นเวลาหลายร้อยชาติ เพื่อตำแหน่งอันมีเกียนินี้พระอนนท์เป็นผู้รอบคอบมองเห็นการไกลเมื่อพระผู้มีพระภาคและสงฆ์มอบตำแหน่งนี้ให้แล้วจึงทูลขอเงื่อนไขบางประการดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นนาถาของโลกเมื่อข้าพระองค์รับเป็นพุทธอุปถากแล้วข้าพระองค์ทูลขอพระกรุณาบางประการคือขอพระองค์ อย่าได้ประธานจีวร อ, อันประนีที่มีผู้นำมาถวายแก่ข้าพระองค์เลยขอพระองค์อย่าได้ประทานบินทบาทอันประนีที่พระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์อย่าได้ให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ที่เดียวกันกับที่พระองค์ประทับขออย่าได้พาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ซึ่งพระองค์รับไว้ดูก่ อ, นอานนน เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอเงื่อนไขสี่ประการนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลขอพรสี่ประการนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าข้าพระองค์รับตําแหน่งพุทธอุปถั์เพราะเห็นแก่ลาบสการะพระอนุ์ยังได้ทูลขึ้นอีกในบัดนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้ออื่นยังมีอีกคือ ขอพระองค์โปรดกรุณาเสด็จไปสู่ที่นิมนตซึ่งข้าพระองค์รับไว้เมื่อพระองค์ไม่อยู่ขอให้ข้าพระองค์ได้พาพุทธบริษัทเข้าเฝ้าพระองค์ได้ในขณะที่เข้ามาเพื่อจะเฝ้าข้าพระองค์มีความสงสัยเรื่องใดเมื่อใดขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามได้ทุกโอกาสอานนท์เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอพรสามภาษานี้ ข้าพระองค์ทูลขอเพื่อป้องกันไม่ให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าข้าพระองค์บำรุงพระองค์อยู่ทำไมกันเรื่องเพียงเท่านี้พระองค์ก็ไม่ทรงสงเคราะห์ข้าแต่พระจอมมุนีข้ออื่นยังมีอีกคือถ้าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาในที่ใดแก่ใครซึ่งข้าพระองค์มิได้อยู่ด้วยขอได้โปรดเล่าพระธรรมเทศนานั้นแก่ข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งอานนท์ เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอพรข้อนี้ข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์ทูลขอพรข้อนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าดูเถอะพระอนุนเฝ้าติดตามพระศ า, ศาสดาอยู่เหมือนเงาตามตัวแต่เมื่อถามถึงพระสูตรหรือชาดกหรือคาถาว่าสูตรนี้ชาดกนี้คาถานี้พระผู้มิพระภาคทรงแสดงแก่ใครที่ไหนก็หารู้ไม่เรื่องเพียงเท่านี้ยังไม่รู้ จะมัวติดตามพระศาสดาอยู่ทำไมเหมือนกบอยู่ในสระบัวแต่หารู้ถึงเกสอนบัวไม่พระพุทธองค์ทรงประทานพรทั้งแป่ประการแก่พระอนลพุทธอนุชาตามปรารถนาและพระอนลก็รับตำแหน่งพุทธอุปถาตั้งแต่บัดนั้นมาพระผู้มีพระภาคมีพระชนมายุได้ห้าสิบห้าพรรษาเป็นปีที่ยี่สิบจำเดิมแต่ตรัสรู้ ส่วนพระอนุนอายุได้ห้าสิบห้าปีเช่นกันแต่มีพรรษาได้ส9เกาจำเดิมแต่อุปสมบท S <S นับถอยหลังจากเวลาที่พระอนุลรับเป็นพุทธอุปถาไปเป็นเวลา55ปีในพระราชวังอนันโออ่าของกษัตริย์ศักยราชมีการประดับประดาประที่โคมไฟเป็นระยะสวัยไปทั่วเขตพระราชวังพระเจ้าสุโกโกธนะ อนุชาหแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิ่ละผักมีพระพักแจ่มใสตลอดเวลาส่งทักคนนั้นคนนี้ด้วยความเบิกบานพระไทยพระประโยุน ญ, ญาติและเสนาข้าราชบริพารมีความปรีดาปราโมทอย่างยิ่งที่มีพระราชกุมารพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลกเขาพร้อมใจกันถวายพระนามราชกุมารว่าอานันท์พรนิมิต ท, ที่นำความปรีดาปราโมทและบันเทิงสุขมาให้ เจ้าชายอนันทาอุบัติขึ้นวันเดียวกับพระราชกุมารสิทธะก้าวลงสู่โลกนั่นแหละพระราชกุมารทั้งสองจึงเป็นสหชาติกันสู่โลกพร้อมกันโดยไม่ได้นับหมายนับว่าเป็นคู่บารมีกันโดยแท้เจ้าชายอนันทาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเท่าที่พระราชกุมารในราชสกุลจะพึงได้พระองค์เติบโตขึ้นภายใต้ความชื่นชมสมานัก แห่งพระราชบิดาและพระประยุรยตาเจ้าชายเป็นผู้ถ่อมตนสุภาพอ่อนโยนและว่าง่ายมาแต่เล็กถน้อยพระชวีผุดผ่องพระบรรกายงามสง่าสมสกุลกษัตริย์ทรงได้รับการศึกษาอย่างดีจากสำนักอาจารย์ที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้ในแคว้นสกั์จนกระทั่งพระชนมายุสมควรที่จะมีคู่ครอง แต่ก็หาปรากฏว่าพระองค์ทรงชอบพอสตรีคนใดเป็นพิเศษไม่ข่าวการเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธัตถะมากราชกุมารแห่งกบิลพัฒนนครก่อความสะเทือนพระทยัยและพิสว ง, งงงวยแก่เจ้าชายอนันทะยิ่งหนักพระองค์ทรงดําเนินอยู่เสมอว่าเจ้าพี่คงมองเห็นทางปลอดโปร่งอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงสลักราชสมบัติออกบรระชาจนกระทั่งหกปี ภายหลังจากพระสิทธัตถากุมารออกสแสวงหาโมกขธรรมแล้วไมีข่าวแพร่สะพัรจากนครราชครึกเข้าสู่นครหลวงแห่งแคว้นสกะวะ่าบัดนี้พระมหาหมุนีโคตมะสักยาบุตรได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเทศนาสั่งสอนปวงชนชาวมคตอยู่เจ้าชายอนันทะทรงกำหนดพระไยไว้ว่าเมือ่อใดพระพุทธเจ้าสเสด็จมาสู่นครกรบิลพัท พระองค์จะขอบวชในสํานักของพระพุทธองค์วันหนึ่งณสันทาคารแห่งกรุงกบิลพัทศักยราชทั้งหลายประชุมกันมีพระราชกุมารหลายพระองค์เข้าประชุมด้วยพระเจ้าสุโธธนะซึ่งบัดนี้เป็นพุทธบิดาเป็นประธานพระองค์ตรัสปราล บ, บ่าว่าท่านทั้งหลายบัด น, นี้ท่านคงได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ใช่ใครอื่น คือสิทธัตถากุมาละบุตรแห่งเรานั่นเองทราบว่ากำลังประทับอยู่ณกรุงราชครื์ราชธานีแห่งพระเจ้าพิมพิสารถ้าพระเจ้าขอปรึกษาท่านทั้งหลายว่าเรานะ่ะควรจะส่งคนของเราไปทูลเสด็จมาเมืองเราหรือควรจะคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเองผูใดมีความเห็นยังไงก็ขอให้แสดงความคิดเห็นได้เลยมีราชกุมารองหนึ่งชูพระหัตขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตให้พูดได้แล้วพระองค์จึงแสดงความคิดเห็นว่าข้าแต่สกิรราชทั้งหลายข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเรานไม่ควรทูลเชิญเสด็จข้าพเจ้ามีเหตุผลว่าเมื่อตอนเสด็จออกบวชนั้นพระสิท ธ, ธัตถะก็ไม่ได้ทูลใครแม้แต่พระราชบิดาเองอีกประการห น, นึ่งน่กะกบิลพัฒนะเป็นนครของพระองค์เรื่องอะไรล่ะเราจะต้องเชิญเจ้าของบ้านให้เข้าบ้าน เมื่อพระสิทธะโอ้อวดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะไม่กลับบ้านของตัวเองก็แล้วไปเมื่อพระองค์ไม่คิดถึงพระชนกหรือพระประยุรญาทั้งหลายเราจะคิดถึงพระองค์ทําไมกันข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าต้องถึงจับทูลเชิญสเสด็จก็เป็นเรื่องมากเกินไปราชกุมารตรัสจบแล้วก็นั่งลงท่งานในั้นพระราชกุมารอีกองค์หนึ่งก็ลุกขึ้นกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและศักย่าวงทั้งหลายข้อที่เจ้าชายเทวทัตกล่าวมานั้นนะ่ะไม่ชอบด้วยเหตุผลข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยเจ้าชายสิทธัตถะแม้จะเป็นยุทธ ร, ราชมีพระชนมาายุอย่างยาวก็จริงแต่พระองค์บัตดนี้นะ่ะเป็นนักรตและไม่ใช่ น, นักรตธรรมดาด้วยยังเป็นถึงพระพุทธเจ้าแม้แต่นักรตธรรมดาน่ะเราผู้ถือตัวเป็นกษัตริย์ยังต้องให้เกียรติถวายความเคารพ เมื่อเป็นเช่นนี้นะ่ะเหตุไหนเราจะให้เกียรติแก่พระสิท ธ, ธัตถะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าและพระญาติของเราไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าตําแหน่งอรหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะ่ะเป็นตําแหน่งที่สูงส่งมากพระมหาจากักรพรรดิน่ะยังต้องถวายพระเกียรติเลยทำํำไมคนขนาดเรานะ่ยจะถวายพระเกียรติไม่ได้ลนะ่ะข้าพเจ้าเห็นว่านะ่ะควรจะส่งทูตไปเชิญเสด็จพระองค์เข้าสู่กบิลพัฒน์พระราชกุมาร น, นั่งลง การที่เจ้าชายอนันท์เสนอมานั้นน่ะโดยอ้างตําแหน่งพระพุทธเจ้าคุณเป็นที่ตั้งก็ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นน่ะใายๆก็อาจเป็นได้ถ้ากล้าโกหกชาวโลกว่าตัวเป็นพูดเอาเองใครๆก็พูดได้เจ้าชายเทวทัตขานเทวทัตจ้างสักยะสูงอายุผู้หนึ่งลุกขึ้นพูดถ้าเจ้าชายสิทธัตถะลวงโลกว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เธอเข้าใจแล้วก็ เราก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องเชิญเสด็จยิ่งขึ้นเพื่อจะได้รู้ให้แน่นอนละ ว, ว่าพระองค์น่ะเป็นพระพุทธเจ้าจริงด้วยหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าปลอมเนะ่สันธาขานเงียบกริบไม่มีใครพูดขึ้นอีกเลยพระเจ้าสุโธธนะจึงตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายถ้าเราเถียงกันแบบนี้สักกี่วันก็ไม่อาจตกลงกันได้ต่างคนต่างก็มีเหตุผลน่าฟังด้วยกันทั้งสิ้น ข้าพเจ้าเนะี่ยอยากจะให้เรื่องจบลงโดยการฟังเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นว่าสมควรเชิญเสด็จลูกของเรามาสู่เมืองขอให้ยกพระหัตถ์ขึ้นจบพระสุระเสียงของพระเจ้าสุโธนะมีพระหัตถ์ของสัจยวงศ์ยกขึ้นสลอนมากมายแต่ไม่ได้นับเพราะเห็นว่ายังเหลืออยู่เป็นส่วนน้อยเหลือเกินคราวนี้ท่านปู่ไดเห็นว่าไม่สมควรจะเชิญเสด็จขอให้ยกพระหัตถ์ขึ้น ปรากฏว่ามีสองพระหัตถ์เท่านั้นคือเจ้าชายเทวทัตและพระสหายคู่พระไทยเป็นอันว่าเสียงในที่ประชุมเรียก้อให้ทูลเสด็จพระผู้มีพระภาคเข้าสู่กบิลพั์เจ้าชายอานนท์พอพระไทยเหลือเกินทูลอาสาไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าโดยตนเองแต่พระเจ้าสุทโธทนะทรงห้ามเสียเจ้าชายเทวทัตข้างแฉนพระไทยยิ่งหนักตั้งแต่เป็นพระราชกุมารน้อยๆด้วยกันมา ไม่เคยมีชายชนะเจ้าชายสิทธิ์ธรเลย จากอรุเวลาเสนานิคมตมบลที่ตรัสรู้ไปสู่อิสิปทานะมฤคทายวันเพื่อโปรดปัญจัวคีและโปรดพระยาศและชะดินสาพี่น้องพร้อมด้วยบริวารและเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญาณที่ส่งให้ไหว้เมื่อเสด็จผ่านมาทางราชคฤห์สมัยเมื่อสแสวงหามโมฆะธรรมได้รับวัดเวรุวันสวนไม้ไผ่เป็นอารามสงแห่งแรกในพระพุทธศาสนา แล้วข่าวกระชอนทั่วไปทั้งพระนครราชคฤติและเมืองใกล้เคียงว่าทรงได้อักรส า, าวกซ้ายขวาคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะเป็นกำลังสำคัญในเวลาเย็นชาว น, นครราชคฤลมีมือถือดอกไม้ทูกเทียนและน้ำปานะมีน้ำอ้อยเป็นต้นไปสู่อารามเวรุวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแก่พระพิสูจน์ ไม่้สุดโทธนะทรงส่งทูดมาเชิญพระผู้มีพระภาคเพื่อเสด็จกลับพระนครแต่ปรากฏว่าทูดก้าวคณะแรกไปถึงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสายศรัทธาขอบรประชาอุปสมบทและมีได้ทูลเชิญพระพุทธองค์ต่อมาถึงทูดคณะที่สิซึ่งมีการุฑายีมหาอมารตเป็นหัวหน้าไปถึงวัดเวรุวันขอบรประชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาค จึงทูลนราธนาพระพุทธองค์ตามพระดํารัสของพระพุทธบิดาพระภู้มีพระภาคมีพระอาหารหันต์ขี่าศพจํานวนประมาณสอง0 0ื่นเป็นบริวารเสด็จจากกรุงราชคฤห์สู่นครกบิลพัฒน์วันละโยธวันละโยธรวม60สวันแระหว่างทางได้ประทานพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนให้ดํารงอยู่ในคุณวิเศษต่างๆตามอุปนิสัยจนกระทั่งถึงนครกบิลพัฒน์ พระพุทธบิดาเตรียมรับเสด็จพระพุทธองค์โดยสร้างวัดนิโครธารามถวายเป็นพุทธนิวาสการเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมโสมนักของพระปริยญาติยิ่งหนักเพราะเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วที่พระองค์จากไปโดยพระญาติไม่ได้เห็นเลยแม้แต่เงาของพระองค์วันรุ่งขึ้นพระภุมิพระภาคเสด็จออกบิณฑบาตผ่านมาทางประสาทของพระบิดา พระเจ้าสุโธธนะพอดพระเนธเห็นแล้วรีบเสด็จลงไปจับชายจีวรของพระองค์แล้วกล่าวว่าสิทธัตถะทำไมเจ้าจึงทําอย่างนี้ตะกูนของเจ้านะ่ะเป็นคนขอทานเลยสักยะวงนะ่ะไม่เคยทําเลยเจ้าทําให้วงของพ่อเสียซะแล้วบ้านของเจ้าก็มีทําไมจึงไม่ไปรับอาหารที่บ้านละ่ะเจ้าเดินขอทานชาวบ้านอยู่พ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อน่ะเป็นจอมคนในแผ่นดินนะเป็นกษัตริย์ ลกมาทำตนเป็นขอทานไปได้มหาบาพิษเสียงนุ่มนูนกึ่งวานจากพระโอษพระผูม้มีพระภาคบัดนี้อัตมภาพไม่ใช่สักจะย่ำวงแล้วอัตมภาพเป็นอริยวงเป็นพุทธวง์พระพุทธเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์ทรงประธรรมอย่างนี้ทั้งนั้นอัตมภาพทำเพื่อรักษาวงของอัตมภาพนี้ให้สูญหาย สำหรับบ้านอัตธรรมภาพก็ไม่มีอัตรรมภาพเป็นอนาคาฤกษ์คนนี้ผู้ไม่มีเรือนช่างเธอศิทธัถะเจ้าเนี่ยจะเป็นวงอะไรจะมีเรือนหรือไม่มีเรือนพ่อไม่เข้าใจแต่เจ้าน่ยเป็นลูกของพ่อเจ้าจากไปเจ็ดปีเศษเนี่ยพ่อคิดถึงเจ้าสุดประมาณพินพาแล้วก็ข้าครัวถึงแต่เจ้าปลาหุ่นล่ะก็มีบิดาเหมือนไม่มี เวลานี้เน่ยเจ้าจะต้องไปบ้านไปพบลูกพบชายาและก็พระยาที่แก่เฒ่าว่าแลพระเจ้าสุโธทนะก็นำเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่พระราชวังถวายขาธนียโภชนียาหารอันประนีสมควรแก่กษัตริย์พระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระบิดาจนได้สำเร็จเป็นพระสกธาคามีพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนาง ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเสด็จกลับสู่นิโครธาราง พระอ น, นุลพุทธอนุชาตอนพุทธอุปทาผู้เป็นบนัณฑิตขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณ น, นิโครธาลามรุงกบิลพัทนั้น มีเจ้าชายในศักยาวงหลายพระองค์ได้เสด็จออกบรระชาะเพื่อทำที่สุดแห่งทุกตามทางแห่งพระพุทธองค์พระโลกกนาาสําราณพระอริยบทอยู่นะนิโครธารามตามพระอัตยาิยสายพอสมควรแล้วทรงรักกบิลพัตรไว้เบื้องหลังเสด็จสู่แคว้นมันละสําราณพระอริยบทอยู่ณนะอนุ ป, ปิยยมพวันเมื่อพระาศาสดาจากไปแล้วเจ้าศักยะทั้งหลายวิพาษ์วิจารณกันว่า เจ้าชายเป็นอันมากได้ออกบวชตามพระศาสดาจึงเหลือแต่เจ้าชายอานนท์เจ้าชายอนุรุตเจ้าชายมหานามและเจ้าชายพัทธิยะเป็นต้นไม่ได้ออกบวชตามความจริงเจ้าชายเหล่านี้นะพระญาิได้ถวายให้เป็นเพื่อนเล่นเป็นบริวารของพระสิทธิ์ถะในวันขนานพระนามเจ้าชายเหล่านี้นะ่คงไม่ใช่พระญาของพระพุทธองค์กระมังจึงเฉยอยู่ไม่ได้ออกบวชตามไป เจ้าชายมหานามซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้ฟังเสียงวิภาควิจาร์ดังนี้รู้สึกละอายพระไทยจึงปรึกษากับพระอนุชาคือเจ้าชายอนุรุตว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยควรจะออกบวชเสีกคนหนึ่งในที่สุดตกลงกันว่าให้พระอนุชาออกบวชแต่พระมารดาไม่ท่งอนุญาตลูกรักพระนางตัดเจ้าจะบวชได้ยังไงการบวชนะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะ จะต้องเสวยวันละครั้งต้องเสด็จด้วยพระบาทเปลา่าต้องบรรทมอย่างง่ายๆปราศจากฟูกหมอนอ่นอนนุ่มใช้ไม้เป็นเคนยต้องอยู่ตามโคนไม้หรือท้องถ้ำเมื่อต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นเมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนด้วยเหตุนี้เนะ่แม่จึงไม่ต้องการให้เจ้าบวชข้าแต่ประมาณดาหม่อมฉันนะ่ะทราบว่าการบวชนะเป็นความลำบาก และไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อพระญาติหลายพระองค์ซึ่งเคยมีความสุขสบายอย่างหม่อมชันยังสามารถบวชได้ทําไมหม่อมชันจะบวชบ้างไม่ได้ล่ะอีกประการหนึง่งน่ะพูดถึงความสะดวกสบายพระาศาสดาเคยสะดวกสบายกว่าห ม, ม่อมชันมากนะพระองค์ยังสามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนทําไมหม่อมชันจะอยู่ไม่ได้น่าจะมีความสุขอะไรสักอย่างนึงมาทดแทนความสะดวกสบายที่เสียไป และก็เป็นความสุขที่ดีกว่าประนีกว่าหม่อมชั้นคิดว่าหม่อมชั้นทนได้ลูกรักถึงแม้เจ้าจะทนอยู่ในเพศมันบระชิตได้เนี่ยแต่แม่ทนไม่ได้แม่ไม่เคยเห็นลูกลําบากและแม่ไม่ต้องการให้ลูกลําบากด้วยลูกนเป็นที่รักสุดว่าใจของแม่แม่ไม่อยากจะอยู่ห่างลูกแม้เพียงวันเดียวจะกล่าวยายถึงจะยอมให้ลูกไปบวชซึ่งจะต้องอยู่ห่างแม่เป็นแรมปีนะ่ะ อันหนึ่งล่ะแม่น่ยไม่เห็นว่าจําเป็นอย่างไรเลยที่จะต้องบวชถ้าลูกต้องการจะทําความดีเป็นอยู่อย่างเคร่งขรึก็ทําได้และก็ดูเหมือนจะทําได้สะดวกกว่าได้ซ้ําไปอย่าบวชเลยลูกรักชื่อแม่เถิดว่าแล้วพระนางก็เอาพระหัตร์รูปเส้นพระเกศาเจ้าชายด้วยความการุณาข้าแต่พระมารดาพูดถึงความลําบากเนี่ยยังมีคนไปอันมากในโลกนี้ลําบากกว่าเรานะหรืออย่างน้อยก็ลาบากกว่าบรณชิต พูดถึงเรื่องการต้องจากกาัน ร, ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยจะมีการจากกันอีกอย่างหนึ่งเส้นร้ายแรงยิ่งกว่าการจากไปบวชนั่นก็คือการต้องจากเพราะความตายมาถึงเข้าและทุกคนก็จะต้องตายหลีกไม่พ้นนะ่ะถูกแล้วที่มารดา บ, บอกว่าการทําความดีนั้นอยู่ที่ไหนก็ทําได้แต่การบวชนะจจะทําความดีได้มากกว่าเพราะมีโอกาสมากกว่านะถ้าเปรียบด้วยภาชนะสําหรับรองรับน้ําเนี่ย ภาชนะใหญ่ย่อมรองรับน้ำได้มากกว่าภาชนะเล็กและภาชนะที่สะอาดน่ะย่อมไม่ทำให้น้ำสกปรกเพราะฉะนั้นลูกจึงเห็นว่าการบวชน่ะเป็นเสมือนภาชนะใหญ่ที่สะอาดเหมาะสำหรับรองรับน้ำคือความดีลูกรู้ได้ยังไงในเมื่อลูกยังไม่ได้บวชความคิดนะ่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ลูกยังไม่รู้หรอกแต่ลูกอยากจะลอง อาอย่างนี้ดีไหมล่ะคือถ้เจ้าชายพัติยะพระสหายของเจ้าบวชแม่ก็อนุญาตให้เจ้าบวชได้พระนางเข้าพระไทยว่ายังไงเซี้ยเจ้าชายพัติยะนาคงไม่บวชแน่เจ้าชายอนุรุตดีพระไัยมากที่พระมารดาตรัสคํานี้พระองค์รีบเสด็จไปหาพระสหายตรัสว่าพัติยะข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชตามเสด็จพระศาสดาแต่การบวชของข้าพเจ้าน่ะเนื่องอยู่ด้วยท่านคือพระมารดาตรัสว่า ถ้าท่านบวชจึงจะอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชได้สหายเจ้าชายพัทยาตรัสตอบข้าพเจ้าก็คิดจะบวชอยู่เหมือนกันได้ยินคนเขาวิาพากษ์วิจารณ์กันแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเลยพระศาสดายังบวชอยู่ได้ทำไมพวกเราจะบวชไม่ได้ละ่ะเจ้าชายอนุรุดีพระไทยเป็นที่สุดเมื่อทูลพระมารดาแล้วทั้งสองสหายก็ได้ชักชวนเจ้าชายอีกสี่พระองค์ก็คือเจ้าชายอนุน เจ้าชายพักคุเจ้าชายกิมเพละและเจ้าชายเทวทัพเป็นหกพระองค์เสด็จออกจากพระนครกรบิละพัดมุ่งสู่อนุปยามพวันแคว้นมัลละเมื่อเสด็จถึงพรมแดนระหว่างแคว้นส ก, กะและแคว้นมัลละพระราชกุมารทั้งหกก็รับสั่งให้นายอุบาลีภูสามาลาซึ่งตามเสด็จมาส่งกลับไปสู่นครกรบิละพัดพร้อมด้วยเปลื้องพระภูษาซึ่งมีราคามากมอบให้อุบาลีนำกลับไป ในขณะที่หพระราชกุมารและอุบาลีภูสามาราจะแยกกันนั้นราปานประเนินว่าจะถึงซึ่งอาการร้องไห้มหาปัทถีมีอาการสถานสะเทือนเหมือนจะแยกออกจากกันอุบาลีจำใจจากพระราชกุมารกลับมาทางเดิมได้นหน่อยนึงจึงคิดว่าการที่จะนำเครื่องประดับอันมีค่าซึ่งเจ้าของสละแล้วโดยปราศจากความใยดีไปขายเลี้ยงชีพ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 จึงยินยอมให้อุบาลีตามเสด็จด้วยพระราชกุมารทั้งหพระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชาอุปสมบทและทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายมีทิฏฐิมานะมากเมื่อบวชพร้อมด้วยอุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้มาก่อนถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายบวชก่อนก็จะพึงใช้อํานาจกับเขาอีกเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้มีพระภาค ให้การอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนเถิดเพื่อข่าพระองค์ทั้งหลายจะได้อภิวาทลกรัตเข้าเมือนอุปสมบทแล้วเป็นการทําลายทิฏฐานะไปในตัวเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เมื่อบวชแล้วไม่นานพระพัตติยาพระปะคุพระกิมพิละและพระอนุรุตก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ะเิวทัติใต้สําเร็จฌานแห่งปุตุชน พระ อ, อ น, นุ์ซึ่งมีพระเภรทศีละเป็นอุปชายะและมีพระปุณณมันตานนบุตรเป็นพระอาจารย์ได้สำเร็จเป็นโสดาบันหลังจากอุปสมบทแล้ว19บันาพรรษาพระ อ, อนตน์ได้รับตำแหน่งเป็นพุทธอุปถาดดังกล่าวแล้วแต่หนหลัง ประจําของพระ อ, อนทนก็คือถวายน้ำสองชนิดคือทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อนถวายไม้สีฟันสามขนาดนวดพระหัตและพระบาทนวดพระปริสด่างแหะปัดกวาดพระกันทักกูดีและบริเวณพระคันทั ก, กุดีในราตรีการท่านกําหนดในใจว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคคงจะทรงต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้รับสั่งนั้นรับสั่งนี้ แล้วท่านเ้าเข้าเฝ้าเป็นระยะระยะเมื่อเสร็จกิจแล้วจึงออกมาอยู่ยามหน้าพระกันทักกูดีกล่าวกันว่าท่านถือประทีปด้ามใหญ่เดินวนเวียนพระกันทักกูดีของพระผู้มีพระภาคถึงคืนละแปดครั้งอันว่าท่านอนนท์นี้สามารถทํางานที่ได้มอบหมายดียิ่งหนะักเมื่อได้รับมอบหมายสิ่งใดาจากพระพุทธองค์แล้วท่านทําไม่เคยบกพร่องเช่นครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนที่โกศลทรงศรัทธาปราถนาจะถวายอาหารแ ด, ด่พระภูมิพระภาคเจ้าเป็นประจำและทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเข้าวังทุกๆวันพระจอมมุนีทรงปฏิเสธอย่างละมุนละม่อมว่ามหาบุพพิธธรรมดาว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเป็นอันมากผู้จำนวนหวังเพื่อทําบุญกับพระพุทธเจ้ามีเป็นจํานวนมากอยู่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 ในสองสามวันแรกพระจ้าประเสณยทิทรงอังคาดพิสุด้วยโภชนาหารอันประณีตด้วยพระองค์เองแต่ระยะหลังๆมาพระองค์ทรงลืมพิสุทั้งหลายคอยจนสายพระองค์ก็ยังไม่ทรงตื่นบรรทมพิสุทั้งหลายจึงกลับไปเสียเป็นส่วนมากและเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยอเข้าพิสุทั้งหลายก็ไม่มาคงเหลือแต่พระอ น, นุ์องค์เดียวเท่านั้นเป็นธรรมเนียมในพระราชวางัง ถ้าพระราชาไม่สั่งใครจะทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นราชบริพานจึงไม่สามารถจัดอาหารถวายพระสงฆ์ได้วันหนึ่งพระราชาตื่นมันทมแต่เช้าสั่งจัดอาหารถวายพระเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จออกเพื่อถวายพระกระยาหารไม่ทอดพระเนตรเห็นพระอื่นเลยนอกจากพระอานนท์ซึ่งอดทนมาทุกวันพระเจ้าประเสริฐที่รงพิโรธยิ่งนัก ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทันทีกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญสาวกของพระองค์น่ยไม่เห็นว่าการนิมนต์ของข้าพระองค์เป็นเรื่องสําคัญเลยข้าพระองค์นิมนต์พระไว้เป็นจํานวนร้อยแต่มีพระอานนท์องค์เดียวเท่านั้นน่ยที่ไปรับอาหารจากพระราชวังข้าวของจัดไว้สีหายหมดมหาบุพพิตรพระสงค์น่ยคงจะไม่คุ้นเคยกับราชตระกูลกระมังจริงกระทำอย่างนั้น มหาบพิดสำหรับอาโนนนั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้เข้าใจเหตุการณ์และมีความอดทนอย่างเยี่ยมเป็นบุคคลที่หาได้โดยยากอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลมีพระประสงค์ให้พระนางมาลิกาอัครมเหสีและพระนางวาสพะคัติยาราชเทวีศึกษาธรรมพระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระอาน์เป็นผู้ถวายความรู้พระนางวาสภะคัติยา พระญาตของพระผู้มีพระภาคเรียนโดยไม่เคารพคือศึกษาอย่างขัดไม่ได้ส่วนพระนางมลิกาทรงตั้งพระทัยศึกษาได้ดีพระอ น, นุนนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอา น, นุนวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ทําตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสันผานดีแต่หากลิน่นนีได้ แต่วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทําตามเหมือนดอกไม้ซึ่งมีสีสวยมีสันฐานงาและในกลิ่นหอมอานอนท์เอย่ยทำที่เรากล่าวดีแล้วนั้นย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงฆ์มากแก่ผู้ไม่ทําตามโดยเคารพไม่สาธยายโดยเคารพและไม่แสดงโดยเคารพ แต่จะมีผลมากมีอนิสงส์ภัยศาลแก่ผู้ซึ่งกระทาโดยนัยะตรงกันข้ามมีการฟังโดยครบเป็นต้น